พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าภาวนาเพื่อหยุดนักท่องเที่ยวอ้าวคณะสัตา ย, ยาญาติโยม พวกเราได้มานานๆมานามาได้พบได้เจอมาวัดหลวงพ่อนะปีหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งเดียวแต่บางท่านอาจจะมาหลายครั้งแล้วก็ได้มาหลายครั้งแต่ทีไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ไปกราบพระละครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆ แต่บัดนี้พวกเราได้มาวัดสุวัดหลวงพอ่อท่านอาจารย์พระครูเจ้าอาวาสวัดหินหมักเป่งเป็นผู้พานำคณะสงฆ์และคณะสัทธา ญ, ญาติโยมที่มาวัดหลวงพ่อในวันนี้วันนี้เป็นวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2559อที่พวกเราได้มา กราบภารวะครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราที่ได้มาพบมาเจอกันแต่จริงหลวงพ่อเองสมัยเมื่อหลวงปู่ใหญ่หลวงปูเ่เทศเทศรังสีท่านยังทรงทาทขันอยู่หลวงพ่อก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็เคยมาทุดง ในถิมินฐานแถวนี้อหละอำเภอนายุงแต่ก่อนยังไม่เป็นอำเภอนำโยงนายุงออำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอสังคมปากชมปากชมสังคมงแล้วก็สีเสียงใหม่ตรุงพ่อเคยไปมาปี2 5 1 6 1 7สมัยนั้นออกทุรโงใหม่เป็นครั้งแรก ก็เด็ก่อนที่จะเข้าไปวัดป่าบ้านดาดก็ได้มาแวะกราบคารวะมาพักกับองค์หลวงปู่ที่วัดหินหมักเป้งปี2516ันหอยสิพึ่งพึ่งท่านพึ่งเริ่มสร้างไม่กี่ปีก็เลยเข้าไปกราบคารวะองค์ท่านท่านก็ให้ความเมตตาให้ธรรมะให้ความอบอุ่นอยู่กับท่านหลายวันเหมือนกันจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ ไปเที่ยวทุรงทางอื่นนี่แหละจากนั้นมาหลวงพ่อก็ได้ถึงจะมาอยู่ที่นี่ก็แวะแวะนเวียนไปกราบพระวะัวงหลวงตูหลวงปู่อยู่บ่อยเพราะอยู่ใกล้ถ้าได้ไปยังไงหลวงพ่อก็ไปพบกับมีท่านอาจารย์พิชิตอาจารย์ชัยชาญที่เป็นรุ่นรุ่น แต่ลุนน้องของหลวงพ่อเกือบทั้งหมดนะท่านเหล่านั้นท่านเติ๊กนะหลวงพ่อคงเวลาจะไปกราบคารวะองค์หลวงปู่ท่านเหล่านั้นก็ให้โอกาสหลวงพ่อเขาไปทุกครั้งก็าจะไปกราบคารวะองค์หลวงปู่ทุกครั้งถือเสมือนว่าเป็นญาติธรรมหรือว่าเป็นลูกหลานของหลวงปู่อย่างใกล้ชิดเหมือนกัน เ, เพราะนั้นวัด พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็คือสายหมู่พวกเพื่อนพวกเราก็ในฐานะเป็นว่าเป็นลูกหลานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอะไรพวกเราก็ได้พูด เ, เรียอว่าเข้าไปหากันปรึกษาปารบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในช่วงที่องหลวงตามหาบัว โครงสุดท้ายช่วงที่ท่านหาทองคำเข้าคลังหลวงในช่วงนั้นพวกเราเาต้องต้องการความพร้อมเพียงสมัคคีเพื่อจะหาทุนเพื่อดูแลเขา้าหาทองคำเข้าคลังหลวงข่าวนั้นคั้างนั้นในฐานะที่หลวงพ่อเป็นสิทธิ์ขององค์หลวงตาและก็รู้จักในกลุ่มของอหลวงปู่ของเราหลวงปู่หินมักเป้งของเราพวกน้อง เพื่อนๆครูบาอาจารย์ของพวกเราในทิตนี้หลวงพ่อก็ได้ทวงทาวอาบอกกล่าวให้ช่วยๆกันเนอะพี่น้องเนอะก็ได้รับความอบอุ่นมาโดยตลอดไม่ว่าวัดไหนถึงวันเวลาก็เพิบเข้าไปกระทอดผ้าป่าสามัคคีแต่วัดลมากวัดละน้อยก็ไม่ว่ากันแต่ก็ความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะ จุดนั้นเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในระแวกนี้ก็หลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศหลวงปู่จันสมไม่ต้องว่าเพราะเป็นหลานของหลวงปู่เทศของเราจากนั้นครูบาอาจารย์ในระแวกนี้หลวงพ่อคนะอนั้นขอในมนต์เข้าไปร่วมกันถือเสมือนว่าเป็นญาติติโกโหติกา เป็นพี่พี่น้องๆกันแต่ถึงยังไงก็าตามอย่างหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ไม่เคยลดละเลยว่ า, อ, าองค์หลวงปู่มั่นของเราเป็นต้นตระกูลหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็น ลูกลูกหลานขององคหลวงปู่มั่นก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนจะลอดถึงมาหลวงตามหาบัวใครๆว่าเป็นน้องๆใกล้ๆสุดท้ายแล้วแต่รุ่นพี่รุ่นใหญ่คือลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมีหลายรุ่นมีรุ่นพ้นรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กรุ่นเล็กคือรุ่นสุดท้าย ที่องหลวงปู่มั่นจําพรรษาที่บ้านหนองผือนาในจังหวัดสกล น, นครอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ครูบาอาจารย์ที่ไปจำพรรษากับศึกษากับองค์ท่านแต่รุ่นแรกๆก็คือเนี่ยนะที่ออกทุ่งรงกับองค์หลวงปู่มั่นไปในสถานที่ต่างๆขณะที่องค์หลวงปู่มั่นไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็ยังเดินร่นดั้น เข้าไปอยู่กรองหลวงปู่มั่นหลายองค์ที่ไปปฏิบัติหรือว่าไปเดินผุดดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กรองหลวงปู่มั่นจนท่านโค้งสุดท้ายท่านเลยกลับมาที่สกล น, นครก็พวกเราลูกสิทธิลูกหาเหล่านี้ก็ยังวกปนเวียนก็ไปกราบคารวะแต่สมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้สะดวกเหมือนจากอย่างทุกวันนี้ ก็จะไปได้ก็ต้องเดินไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่คืนด้นด้านไปเพื่อไปเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ของแต่ของเราแต่ละแต่ละองค์นี่แหละอันนี้ก็คือสมัยยุคสมัยนั้นแต่พอมาถึงยุคสมัยพวกเราการไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายแต่ถึงยังไงก็ถึงจะไม่มาไปมาหาสูพา่พวกเราก็ยังดีเย็นข่าวข่าวกัน อยู่นักสานที่ใดเพราะมีสื่อข่าวทางวิทยุโทรลัดสับติดต่อประสานกันข่าวข่าวกันได้ยินง่ายไม่เหมือนยุคสมัยนั้นแต่ถึงยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพนะแต่ถึงยังไงก็ตามมาถึงรุ่นรุ่นพวกเราก็ขอให้พวกเรา อยู่ในกรอบตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านใดองค์ใดที่เป็นเครือข่ายสายลูกจิตตรวงปู่มันแล้วท่านจะเน้นเรื่องวินัยเป็นหลักนะเรื่องศีลและวินัยเนี่ยเป็นหลักเพอาะท่านบอกว่าถ้าหากว่าพระอยู่ในพุทธศาสนาเป็นสัตว์ลูกจิตของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแล้วการประพฤติปฏิบัติการภาวนาจะเป็นมวลทินจะทําให้จิตใจเศร้าหมองล่าช้าจิตใจจะมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงหลวงปู่มั่นท่านสอนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าแก่ของพวกเราท่านบอกว่าถ้าหาว่าผู้ใดไม่อยู่ในศีลและวินัยเหมือนกับผงทุลี ผงทุลีที่มันเป็นผงเล็กๆเนะ่มันเข้าตาของเราก็ทำให้เราตาฝ้า ฟ, า, ฟางมองไม่เห็นสัตว์จะทำแต่ของไม้ใหญ่ๆสิ่งที่มันใหญ่ๆมันไม่เข้าเราเพราะเราเห็นมันอยู่แต่มันที่เข้าบ่อยๆก็คือผงทุลีตอนนั้นเราต้องรักษาผงทุลีก็คืออวบัดเล็กๆน้อยๆที่เรารู้แล้วว่าเป็นเป็นวินเป็นวินัยที่มันมันผิด เ, เมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วกว่า อ, อ, อย่าไปกล้ามกายอย่าเข้าไปล่วงละเมิดในวินัยเหล่านั้นอันนี้คือเป็นแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นกอให้พวกเราผาลูกพ้หลานน้องหนุ่งทั้งหลายให้สํารวมในศีลและวินยัยที่สิ่งไหนที่มันรู้แล้วครูบาอาจารย์สอนแล้วนะก็ให้พวกเรารักษา เพราะว่าพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เป็นโครงสร้างโครงใหญ่ไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วปรตตินิพานไปแล้วเราตายไปแล้วพูดง่ายๆทำและวินัยนั่นแหลจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเธอจะเป็นศาธดา ของพวกเธอท่านทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มอบความมอบไปได้มอบพระไทยมอบความเป็นใหญ่ให้กับพระองค์ใดองค์หนึ่งท่านเอากฎกติกากฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยเนี่ยแหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์มี ทำและวินัยมีศีลอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนะถ้าหากว่าพวกเราไม่มียูนิฟอร์มนี้ไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมแปลว่าพุทธศาสนาก็หมดโดยปริยายเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยนี่ก็คือขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละพอหลวงพ่อเองก็เป็นทาญาติของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ศึกษามา ก, กับครูบาอาจารย์เพราะนั้นรู้เห็นรู้ได้สิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อน้องหนุ่งท้งหลายต่อพระเด่นรุ่นหลังๆทางหลายหลวงพ่อก็พูดพูดให้ฟังเป็นแนวความคิดเอาไว้และจากนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ให้พวกลูกลูกลนหลานต่อไปนี่แนหะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาพระองค์ขอให้พวกพระลูกผานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติหนะ้าได้อยู่ด้วยการก่อเรื่องจิตตภาวนานะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญทางปริยัติเราก็เรียนปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเขาทั้งสองอย่างนะั่นแหะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นธรรมคาสอนของพุทธะนะถ้าหากว่าเรา เออมุ้งแต่มุ่งแต่ปฏิบัติแต่เราขาดปริยัตินะก็ไม่ได้อย่างทงที่หลวงพอ่อหลวงพ่อสอนขณะนี้นะีอันนี้ก็คือปริยัติเหมือนกันนะพรนะเนนนักลูกหลานนะอันนี้ก็คือพวกเราได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปปฏิบัตินะี่ว่าปริยัตแล้วก็ปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทคือผลผลแห่งการปฏิบัติแต่เอาว่าวกผลออกปฏิบัติมาแล้วว่า ปฏิเวทปฏิเวท ธ, ธรรมปริยัติคือคือการศึกษาการศึกษาจากครูบาอาจารย์ศึกษาจากหลักพระธรรมวินัยศึกษาจากท่านผู้รู้แนะนำสั่งสอนสรุปแล้วก็คือนะผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธนะจากนั้นเราก็เมื่อได้ยินได้ฟังเราก็นาไปปฏิบัติแต่พวกเราทั้งปริยัต กันก็ไม่ได้สอนมากเพราะอยู่ในตำราอยู่แล้วนะเรื่องศีลและวินยัย เ, เรื่องข้ออัดข้อธรรมาบางทีข้ออัดข้อธรรมเนี่ยจะต้องอธิบายอีกทีหนึ่งนะปฏิความหมายาแต่ว่าเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันต้องยากเข้าไปอีกนะพอเรียนรู้นะไม่ใช่รู้แล้วจะรู้รู้แล้วเหมือนกับทางโลกเขาไม่ใช่นะรู้แล้วแปลว่าได้เลยไม่ใช่แต่นี้เราต้องลงประมือปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไงในพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการแปลว่าปริยัตเยิเป็นแนวทางเป็นหนทางชี้ทางให้เท่านั้นเองนะ เ, เหมือนกับว่า อ, อไปทํานาอย่าง น, างนี้อย่างนี้นะทํามาค้าขายอย่างนี้อย่างนี้นะพอเราเรียนรู้เราไม่ใช่เราจะรวยเดี๋ไม่ใช่นะพอเรียนรู้แล้วก็จังจนอย่างเก่าเพราะเราไม่ไม่ลงมือทํานานะถ้าลงถ้าเราอยากจะรวยแล้วก็ต้องลงมือทํานา ลงมือทํานาตามที่เราได้เรียนมานั่นแนหะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทํานายอย่างไรก่อนที่จะทํานามันยากกว่านะเรียนเนี่ยมันง่ายกว่าแต่พอลงมือทนะําำมันยากกว่าแต่ทีนี้พอทําลงไปแล้วนี่มันก็เห็นผลคือผล ค, อคือเห็นผลแห่งการทําทำํทำทํางานเแต่ว่าปฏิเวทคือผลของงานนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแนหะ่ะครูบาอาจารย์มีแต่แนะนําสั่งสอนสมาธิอย่างนี้นะ สมถะอย่างนี้นะวิปัสนาอย่างนี้นะตนนะแต่ศีลนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอะไเรื่องศีลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอเราเรียนเราก็รู้แล้วเรื่องศีลเป็นยังไงแต่เรื่องสมาธินะี่แต่มีหลายแนวทด่นะมีหลายแนวในเรื่องสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างนะอันนั้นพอประมาณนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดไม่ใช่พอประมาณ ถ้าวพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะ อ, าอย่างนางอุบลละวร น, นาภิกษุณีนะท่านไปจุ ด, จดเทียนจุดเทียนขึ้นมาในบูชาพระนะในห้องบูชานะพอจุดเทียนขึ้นมาท่านก็เดินยืนเดินยืนยืนดูเทียน เ, เทียนที่จุดขึ้นมาไฟมันก็เพิ่ก็เพิบกพิเิ ไฟแสงเทียนมันก็อยู่ลุกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะไม่เตรงตรงแนวแล้วพอมันมีลมกัมีลมพัดนิดนิดหน่อยๆยมันก็กระเพื่อนอยู่แล้วลมท่านก็มองใจของท่านกระจ่อไปที่ปลายเทียนท่านก็เห็นอเนจังคือมันก็พริบกระพริบนะัน่นคืออเนจังของไม่เที่ยงใช่ไหมท่านก็เปรียบเทียบเข้ามาสู่ใจของท่านใจของเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ตรงมันไม่แนวมันไม่แน่ เดี๋ยวคืคิดนั่นปุ่งนี่ปุ่งนี่คิดนั่นคิดนั่นคิดนี่นปรุงนี่อยู่ตลอดเหมือนกับเชิงเหมือนกับเทียนที่มันอยู่ที่ไฟอยู่วนติดๆอยู่ในเทียนนั่นแหละเออมันก็เพิพอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจากนั้นท่านก็เห็นอเนจังเห็นอเ น, นจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็ปล่อยวางที่ใจของท่านท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะอันนี้อยู่ในตําราไหมอยู่ในอยู่ใน กรรมาฐาน40ไหมถ้าจะว่ามีก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นปิกย่อยออกไป อ, อย่างภิกษุไปนั่งอยู่ใต้ทุนพระทคันโกดีของพระพุทธเจ้าจะขึ้นไปถามปัญหาจะถามปัญหาในใจจากนั้นฝนก็ตกอย่างเนี้ยฝนตกในวันนี้พอมันตกมาน้ำก็ไหลาจากลชายคานะมันตกจมลงไปในในชายคา มันก็เป็นฟองขึ้นมาใช่ไหมน้ำตกมาจดมาจากข้างบนตกจมลงมก็เป็นเป็นฟองมันตกถึงน้ำข้างล่างพอะฉะ น, นคือมางก็แตะตับจมบางก็แตะตับจมแตะตับท่านก็เห็นเออใจของเราเหมือนกันอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจของเราเนี่ยพอเรารู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็เชิงนั้นเอามาเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็ดับไป อันนี้ก็คือใจของเรานี่กัเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันท่านก็เห็นไตรลักษณ์อีกเหมือนกันท่านก็ปล่อยวางที่ใจของท่านท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วมีมากมายนะอนัตตาทายาทโฉมพระเนนลูกหลานน้องนุ่งทางหลายนะนี่แหละเรื่องกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็ให้เป็นผู้ฟังนะผู้ฟังแต่ถึงยังไง หลวงพ่อเองอยากจะแนะนําแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาของเราอยากจะให้เป็นแนวแถวเดียวกันเพราะการสั่งแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถ้าว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาต่อไปในอนาคตเราก็จะยึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นหลักอยู่แล้วเรื่องสอนกรรมฐานเน่ยท่านบอกว่าวิธีสอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ลูกหา พระเนนสอนให้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าของพวกเราถามองค์ไหนก็องค์นั้นอะ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็บอกสอนว่าลุงปู่มั่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเนีเขาจึงตั้งชื่อว่ากรรมฐานสายลุงปู่มั่นคือกรรมฐานภาวนาพุทโธเนี่ยนี่แหละอันนี้พวกเราก็ควรจะแนวแถวนี้เลยสอนลูกศิษย์ลูกหาถึงอย่างไรมันก็แปลงถ้าเรา ฟังในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ไม่มีแต่แปลกแตกต่างกันเท่านั้นเองนะกายเวทนาจิตธรรมกรรมฐานที่พุทธศาสนาแต่ถึงยังไงหลวงปูม่มั่นของเราเนี่ท่านก่อนเรื่องกายกายกา ย, ยาณุปัฏนานสติปัฏฐานคือกําหนดลมหายใจเข้าก็เรียกว่ากายกายกายญานุปัสนาสติปัฏฐาน กำหนดกายคือกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบอริกรรมโธ เ, เพียงตัวเอาพุธโทเข้าไปด้วยเพื่อมันให้มันยาวขึ้นให้มีความหมายมากขึ้นน้อยนึงแต่ถ้าในกรรมฐานของพระพุทธเจา้าท่านว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปูม่มานท่าน ให้ใส่เข้าไปอีกน้อยนึงก็คือหายใจเข้าออบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเนะีนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีเดินโยงกรมทํำยังไงนะวิธีการเดินโยงกรมเราก็มีกําหนดเส้นทางของเราจะเป็นที่ลานบ้านก็ได้กุฏิของเราก็ได้ที่พอที่ปลอดภัยนะแล้วก็ที่ดินก็ได้ที่ที่ว่างว่างเหมือนที่ เรียบราบราบเรียบนะไม่คลุกคลักไม่หกล้มได้ง่ายไม่ลื่นนะแล้วก็กําหนดเอาอะไรไปขวางไว้ความยาวก็ไม่ใไม่ควรจะเกิน2 5่สถึงสาเมตรเป็นอย่างยาวนะท่านว่ากุวยานท่านบอกนะแต่ความสั้นไม่น่าจะเกินประมาณสัก15บห้าเมตรอย่างสั้นนะเพราะเราสั้นมากถ้าเราเดินตามปกติมันจงเวียนศีสระนะ เพรามันเราหมุนกลับนะแต่ถ้ายาวเกินไปมันจะมีพวกมะลงมะแรงผ่านเออยาวเกินไปประมาณ2 0่สเ็เมตรเนี่ยยี่สเมตรเอทางเดินจะกลมพอไปสุดไปยืนอยู่สุดข้างหดข้างหนึ่งเอ่อสมมติว่าเป็นถนนเเราจะเดินอยู่ซีกหนึ่งข้างนะติดริมถนนเราก็เอาไม้เราเก่งไม้หรือเอากระดาษสีขาวน่ยไปวางไว้เรากำหนดเส้นไหนไปถึงไหน จากนั้นก็ไปวางเสร็จแล้วเราก็ไปยืนหยุดสุดข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนแผ่นผ่านไม่ใช่นะสมมติว่าไม่มีใครละกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครละเงียบสงบเราจุดเทียนขึ้นมาแล้วกันะเอาไมา้ไปวางอยู่ซ่อนข้างใดสุดข้างใดข้างหนึ่งให้ได้กำหนดเส้นทางเป็นอย่างที่ลุงพ่อได้โพนดจากนั้นเราก็ไปยืนอยูุ่ดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นเราก็ประนมมือขึ้นแล้ววางอก ไหว้พระไหว้พระพุทธเจ้าซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือประสานที่ท้องน้อยของเราเนี่ยท้องน้อยถ้างหงายขึ้นมาไปลว่ามือขวาเนี่ยอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างแต่เราประสานกันไปมือข้างขวาอยู่ข้างในมือข้างซ้ายอยู่ข้างนอก แล้วก็อันนี้คือวิธีการจะเตรียมตัวเดินจงกรมเอามือลงประสานท่านบอกหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าเอามือไขว้หลังนะถ้าเอามือไขว้หลังดูดูแล้วมันลักษณะไม่เคารพเหมือนฐานนักเลงถ้ากไกลแขวนมันเหมือนกับเหมือนเดินธรรมดาเกินไปถ้าเอามือกอดอกเหมือนกับมีความทุกข์อยู่ในจิตในใจให้ความคนมีความทุกข์เอามือกอดอก ถ้าเอามือประสานกันเป็นว่าท่าลำผ้าลำพึงท่าลำพึงท่าคุ้นคิดหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ต้องการอยากจะพบอยากจะเห็นที่ว่าเอามือประสานกันนั็นว่าท่าคุ้นคิดจากนั้นพอเตรียมพร้อมแล้วก็ก้าวขาขวาพุธขาซ้ายโถ่แต่ไม่อย่าไปไม่ต้องเดินช้านะไม่ต้องเดินเร็วเดินปกติเหมือ น, นเราเดินธรรมดานี่แหละ แต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถขาขวาพุทขาท้ายโถพุโทโถพุโทโถพุโทโถพอไปถึงจุดที่เรากําหนดไว้เราก็หยุดอยู่นิ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนขว า, าประทักศิณเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วขาขวาพดซ้ายโถพุโทโถพุโทโถพอยืนอยู่แล้วอยู่นิ่งแล้วก็หมุน ทักศีลขวาใช้ททโทรพุทโทพุทธโทนี่แหละวิธีวิธีการเดินนะเดินนานไหมเท่าที่จะนานได้บางคนก็ถูกจริญในการเดินบางคนพอนั่งเขามีแต่งงมีแต่ง่วงมีแต่หาวนอนมีแต่อยากจะหลับอย่างเดียวท่านให้เดินถ้าเดินเข้าไปเออรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งจิตใจมันรู้สึกว่าเป็นสมาธิได้ดี นึกคิดอะไรรู้สึกโปรงดีนีโปร่งในการเดินอันนี้แปลว่าถูกจริตในการเดินจากนั้นเมื่อเราเดินพอกําหนดที่ว่าเพียงพอแล้วเราก็หยุดหยุดอยูยย่ส้นทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ประนมมือคันอย่างเกานะ่านั่นไหวพุทโธธรรมโสังโคสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลว่าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเรื่องสมาธิจิตตภาวนา มาพอสมควรแล้วโดยบุญกุศลที่ได้ไดบำเพ็ญมาในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายญายติที่ทำญาติมิตรสหายทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็ออกจากทางเดินอย่างกลมถ้าว่ามากในเวลากลางคืน แล้วเมื่อเราออกจากทางเดินยืนกรมแล้วควรจะท้อมทําให้ต่อเนื่องดีนะหลวงพ่อเคยได้ผลในการภาวนานทําให้ต่อเนื่องต่อเนื่องคืออะไรพอออกมาจากทางเดินยืนกรมแล้วจิตใจของเรามันยังมันยังอยู่ในท่าท่าคุณคิดท่าในสมาธิอยู่เราขึ้นมากุฏิของเราแล้วก็กราบเราล้างเท้าสองค์สะอาดเรียบร้อยเช็ดเท้าให้แห้ง จากนั้นก็ขึ้นมากับกราบที่นอนกราบที่หมอนพวกเรานะกราบพุโทโธธรมโมสังโฆได้จะว่าอาลาหังสวาคตัตโตสุปติปโนนโมตัสสะพระเขาวาโตสาจบนะจากท่านเราก็ไม่ต้องทําวัดยาวก็ได้นะทําวัดห ย, ย่อนหอไว้ก่อนก็ได้เมื่อเราทํานั่งสมาธิทเสร็จแล้วเรายังค่อยทํายาวก็ได้สพอทําย่อๆเสร็จแล้วนะก็นั่งขัดสมาธิเลยขาขวาทับขาซ้าย จากนั้นปนมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหวครูสกอรพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงขามือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าทีนีเน่เมื่อเราเดินยังกลมเราก้าวเดินแล้วเรากำหนดที่ขาของเรานะแต่พอเรามานั่งมันนิ่งร่างกายมันนิ่งมีตกลมหายใจเข้าออกที่มันเที่ยวเข้าเที่ยวออก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็กําหนดที่ลมทีนี่ขณะที่เราเดินเรากําหนดที่ขานี่ที่ขาที่ก้าวเดินที่เท้าของเราพรอหวังเท้าของเราก้าวเดินอย่าอย่าไปกําหนดที่ลมถ้ากําหนดที่ลมมันสับสนบางทีมันสับสนกําหนดที่ลมขณะที่เดินนะต้องกําหนดที่เท้าแต่บางคนก็อย่างว่าในยุคสมัยนี้หลวงพ่อเคยได้ยินช่วงหนึ่ง บอกว่าทำไมเราทำไมจงไปกำหนดพระพุทธเจ้าลงที่เท้าของเราขาดความเคารพอันนี้คำที่หลวงพ่อก็เคยได้ยินนะแต่หลวงพ่อก็ตอบให้คนผู้ที่ลงมาถามหลวงพ่อบอกเอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงจะไปพูดว่าเอาพระพุทธเจ้าไปเหยียบย่ำได้ยังไงใครเป็นคนคิดว่าศีรษะสูงเท้าต่ำใครเป็นคนคิด ใจของเราใช่ไหมเราใจเป็นเราเราสมมุติใช่ไหมแต่เท้ามันบอกว่าเท้ามันสูงใช่ไหมหรือเท้ามันต่ํามันบอกไหมหัวมันสูงหัวมันต่ามันบอกไหมมันไม่ได้บอกหัวสูงหัวต่ําเท้าต่ําเท้าสูงมันไม่ได้บอกแต่เราไปให้ความสมมติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ความสมมุติว่าเท้ามันต่ําเท้ามันสูงสิเอเราจะกําหนดกรรมฐานเท่านั้นเองเท่าว่าเท้ามันต่ําตัดเท้าทิ้งสิเอาไว้แต่หัวมันเป็นไปได้ไหมเออ ทาว่าเท้าถือว่าเท้ า, าดีกว่าน่ยตัดคอทิ้งใช่ทิ้งหัวใชมันจะไปได้เลยมันก็ไปไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าเท้ามันสูงเท้ามันต่ำฮะถือว่าอันนี้คือเรากําหนดกรรมาฐานของพระพุทธเจ้า เ, เพื่อให้เราได้ภาวนาเพื่อพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเราไม่ได้ถือว่าร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยต้นไหนสําคัญกว่ากันสูงต่ํากว่ากันมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าตรงไหนที่มันดีตัดทิ้งสิ ทามันเท้ามันต่ํากว่าเพื่อนตัดเท้าทิ้งมันก็เดินไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเท้าก็สําคัญหัวก็สําคัญร่างกายของเราทุกสำคัญทั้งหมดในร่างกายของเราเพราะนั้นเราจะเอากรรมตฐานจุดที่เราเดินเลยขามันเดินเราก็เอาใจกําหนดที่ขาถ้าเร า, เานั่งอยู่เราก็กําหนดที่ลมหายใจมันเมื่อมันนิ่งหมดแล้วเพราะขาก้าวขาแข้งขาไม่กระดุกกระดิกแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ลมหายใจ นี่แหละกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพด <c oughs> หายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโธ ท, ที่จะให้จิตใจอยู่นิ่งมันยากอยู่นะพระเนนลูกหลานน้องลุงศรัทธาญาติโยมนะจะให้มันนิ่งมันยากอยู่มันก็ต ะ, ตะเลทลายไปคิดนู่นคิดนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงมันจะไปที่ไหนเราก็เอาเมื่อเรามีสติแล้วก็ดึงกลับมามาอยู่ที่ปลายจมกูก แต่บางคนไม่รู้จะ ก, กําหนดยังไงมันไม่เห็นนะทำไม่เห็นที่ลมเข้าลมออกกระแทกลมแรงๆนะหายใจเข้าฟืดหายใจออกเฟึอดกระแทกเข้ากระแทกออกสักสามี่ห้าครั้งเราก็รู้ได้แล้วว่าลมมันเข้าที่ไหนออกที่ไหนฮนะจากนั้นเราก็ค่อยผ่อนผ่อนลมลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะนะวิธีการกําหนดลมแต่บริกรรม แต่บริกรรมเข้าไปอย่าลืมที่บอกพุโทโธกําหนดลมเฉยๆนะมันให้หลุดได้ง่ายหลงได้ง่ายเผลอได้ง่ายนะถ้าเอาพุโทโธสามทัพเขาด้วยตามที่องค์หลวงปู่มันท่านแนะนําสั่งสอนนะจะมีประโยชน์แล้วก็จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้นะจากนั้นเมื่อเราภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายออกพุท <c oughs> พุโทโธพุโทโธพุโทโธที่ลมหายใจต่อไป ใจของเราตะก่อนเคยคิดไปในอดีตเรื่องเตาตางังเรื่องผ่านมาอนาคต่มันปรุงไปข้างหน้าเอจากนั้นเมื่อจิตของเราทันมันจะอยู่ที่ลมเราไม่ให้มันออกไปกำ บ, บังคับให้มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าบังคับให้โลลมหายใจออกพุทโธพุทโธจากนั้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ บ, บังคับลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของเราก็รวมสงบนะเออ แต่มันรวมมันมีสามระดับนะคณะสัตายาญาจโจมพระเนรน้องหนุ่งทั้งหลายนะแล้มันมีอยสามระดับพอจิตใจพอบังคับขณนะนี้จิตใจมันจะรวมภาพเย็นสบายชั่วขณะหนึ่งเอออันนี้มันเคยมีเคยเป็นมาแล้วนะอันนี้เราว่าคณิกะสมาธิเกิดเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนะทีนี้นะพอเราใส่ใจสนใจนะมัเป็นสมาธิเราว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมชั่วครู่นึง เออจ็ดเงถึงจะรวมสักครู่หนึ่งก็เถอะอันนี้จําไม่ลืมเหมือนกันโอ้ทําไมใจในช่วงนั้นเรานั่งภาวนามันเผล อ, อไปมันหลับไปหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงทําไมใจของเราจึงมีความสุขพิดปกติเหลือเกินในช่วงนั้นอันนี้เรียกว่ามีความสุขจังไม่ลืมอยากจะให้มันเป็นอีกต่อไปภายภาคหล่ะมันไม่เป็นหรอกน ะ, ะเพื่อเราเพล่เผลอแล้วเราเราไม่ใส่ใจมันก็จะโลงอีกอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิ จิตที่เริ่มเป็นสมาธิก็ได้รับความสุขในระดับหนึ่งต่อมาเราพยายามใส่ใจเข้าไปอีกออจิตใจของเราใส่ใจในในการภาวนาของเราจิตใจของเราจะเป็นสติของเราจะทันทันความรู้สึกนึกคิดมันจะปรุงปรุงฟุ้งไปยังไงใจของเราสติของเราทันทันทันใจ เมื่อจิตใจวิสติของเราทันใจใจอยู่เถอะนใจไม่เผลอเถอพราะมันเพราะมันสติมันทันมันเลยมันทันทันความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นมันจะไปแล้วก็สติจับไปอยู่ดูไว้อยู่จ้องดูไว้อยู่ครอยๆมันจะไปคิดอะไรเ้าจิตใจสติของเราทันอยู่แต่เรารู้นะได้ยินเสียงคู่คนได้เสียงอะไรแต่มันไม่ทรงใจไปได้ยินเสียงเลย พอได้ยินแล้วก็จบพอได้ยินแล้วก็รู้รู้เป็นอะไรก็รู้พอรู้แล้วก็ไม่ใส่ใจมีสติควบคุมอยู่คือไม่ให้มันออกไปข้างนอกนะอันนี้อุปจาระเนี่ยจิตใจที่เป็นประเภทนี้อุปจาระคือยังไปได้อยู่แต่ก็ยังในอยู่ในคอนโทรลแลว้วก็อยู่ในสติของเราควบคุมอยู่นะอันนี้ว่าอุปจาระสมาธิถ้าหาว่าจิตใจมันร่วมสงบลงไปอีก มันเด่งแล้วมันเงียบสงบลงไปอีกอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่มันออกไปจากมันสงบลงไปแล้วมันไม่รับรู้ทางกายเลยนะท่านทางกายมันไม่รับรู้เลยได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงรถเสียงลาเสียงคู่สงวไม่สนใจทั้งหมดเลยเพราะมันใจของเราไ ม, ไ, มไม่มารับรู้ทางกายมันไม่มารับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้น ในทางกายมันอยู่ยังไงไม่รู้มันเอกเป็นเอกเทศของมันเลยเธนี้อันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินะจิตนิ่งสติเป็นอันใดสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันนั้นสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจุดนั้นนะแยกกันไม่ออกเลยสติกับจิตทธนี้อยู่นิ่งไงอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิน่ะที่อัปปนาสมาธิได้เพียงแค่นี้ก็แล้วนะพวกเราก erm ็ม anyway, right ั네่นใจในตัวเองเลยเธนี่ยโอ้ตาย ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วเกิดได้าตายแล้วศูนย์มันไม่ศูนนะวะร่างกายมันตายแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆแต่ตัวผู้รู้ตัวนามมาทมตัวที่มันโดดโดดเด่นเหลือเกินเป็นอิสระของมันเลยตัวนี้แหละที่ว่าไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละจะได้รับบุญรับบุญรั บ, บบาปตัวนี้แหละเป็นท่านว่าเป็นคลังกองบุญคลังของบาปคือตัวนี้เองน่ะอันนี้มันคล้ายๆว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองนะทีนี้ เพราะว่าเหตุ เ, เพราะใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดในที่จิตใจของเราของเรารวมเป็นอัปปนาสมาธิ น, ะนี่แหละอันนี้คือชัดเจนนะนะคณะทศไทยญาติโยมนี่คือผลแห่งการนั่งสมาธิภาวนาเราพิสูจน์ได้เลยว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญจิตใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิเพียงแค่นี้น ะ, เ, ะเราก็ยังตัดสิในใจได้ด้วยโดยลําพังของเราตายแล้วไม่สูญแน่เพราะว่าขณะที่จิตใจรวมสกบลงเป็นหนึ่งนั่นะ ร่างกายเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใจของเราเนี่เห็นอีกเป็นเรื่องหนึ่งเลยเอสงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พ่อยุคนี้สมัยนี้เราไปนะสถานที่ใดเราก็มีแต่นั่งรถนั่งรถไปนะอย่างมาที่นี่ก็นั่งรถมานะผมหลวงของพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเนี่ยนำมรทำตัวนั้นเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถให้พวกเราให้รู้เอาไว้นามมาำมธรรม คือจิตใจรูปธปรรมคือร่างกายรูปธรรมคือรถนามธรรมคือคนขับรถมันอาศัยกันอยู่นี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่มีสมาธิมันจะไม่เห็นโซเฟอร์นามธรรมจะมันมจะไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อจิตใจของเราฝึกหัดเรื่องสมาธิแล้วเราจะเห็นได้ด้วยตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือการฝึกหัดเรื่อง ทั้งหมดมาทั้งพดทั้งหมดหนี่คือ3อย่างคณิกาอุปจาระปัญนาสมาธินี่ว่าอันนี้ววเราวส ม, มะะัทะสมัทะคือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นสมาธิอันนี้ว่าสมาธิตงนี้ปัญญาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศท่านสอนออท่านสอนออสมัยหนึ่ง หลวงพ่อทูลของเราเนี่ยก็เข้าไปกราบหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศโอ้ขวบผมภาวนาเนี่ยกาหนดเลยสมาธิทําให้เดินช้าไม่ต้องเดินสมาธิเราเดินวิปัสนาเลยพิจารณาเลยหลวงปู่เทศยังสอนบอกกล่าวหลวงพ่อยังจําได้ว่าท่านสอนหลวงปู่ทูนเอ้ยทูลแต่ท่านนะใช่ท่านรู้ได้เร็วแต่ท่านจะไปสอนอย่างนั้นไม่ได้เด้ แปลว่าผิดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันต้องสมรถะซะก่อนอพ่อเหมันคนมันต่างกันเราก็คิดว่านักเรียนเนี่ยใ น, ในห้องเรียนดูสิมันมีแต่หัวดีทั้งหมดใช่ไหมนักเรียนหัวดีทั้งหมดหัวไบรท์ทั้งหมดใช่ไหมเหรียญทองทั้งหมดใช่ไหมเกรด A ทั้งหมดใช่ไหมมันหัวถุยมันมีนะในเมื่อหัวถุยมีเนะี่ยเราก็ต้องสอนเรื่องสมาธิเป็นเบื้องต้นซะ ก, ก่อนเมื่อสอนสมาธิดีแล้วน่ยปัญญามันเกิดแต่คนที่ หัวไบรทหัวเก่งอยู่แล้วนะสส่สอนสมาธิมันก็เดิดโดดไปทั้งด้านปัญญาเองมันไปทางปัญญาวิปัสนาเองมันมันกระโดดเองนะอันนั้นไม่ต้องสอนยากแต่โดยมากเราจะไปสอนทางวิปัสนาเลยนะดอนไม่ต้องไม่ต้องทำสมาธิเลยนะโอ้อันนั้นมันไม่ได้นะมันผิดสูตรผิดแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะ่น อันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินหลวงปู่เทศท่านสอนท่านกล้าพูดกล้าพูดกล้าแสดงเรื่องสมาธินี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญแต่พูดที่จุหัวไล่อยหรือหัวพิเศษหัวขิปะพิญญาณอันนั้นพอกําหนดปุ๊บเข้าไปอย่างที่พระหันในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมท่านก็ไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมล่ะพอท่านพูดพูดพูดพูดเข้าไปแสดงธรรมให้ไปท่านก็รู้แจ้งเห็นจริง ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าก็ท่านได้ก็ตัดกิเลสได้เป็นพระรหันในขณะที่ฟังธรรมอันนั้นเรียกว่าพวกคิ ป, ปะพิญญาพวกรู้ไดเร็วถ้าพวกทันทาพิญญาพวกรู้ไดช้าแล้วก็ต้องนี่แหละต้องฝึกหัดทีละน้อ ย, อยแต่พวกเราใครจะเป็นพวกคิ ป, ปะพิญญาหรือทันทาพิญญาก็รู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันนะอย่างลงเขามาถามหลวงพ่อนะท่านอาจารย์ครับ เออผมอยากจะฟังที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศนะ์ตรงที่ได้ตัดรู้เลยนะได้สาเร็จเลยนะเออเขาเคยเข้าว่าเขาเป็นผู้เป็น ผ, ผ, ผู้มีปัญญาทางโลกมาแล้วนะคิ ป, ปะพิญญามาแล้วคิ ป, ปะคือเป็นผู้รู้เร็วสอนอะไรรู้ได้นะเอออยากจะฟังทุกนั้นแหละจุดที่พระพุทธเจ้าสอนนะ่ะที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันเลยนะหลวงพ่อเออเอาฟังเออฟัง คือสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเทศให้ทีขะนักขาทีขะนักขา เ, เขามากราบพระพุทธเจ้าที่ทำสุกรขาตาท่านเขามากราบภาษารรบุตรท่านก็นั่งฟังถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ทางเบื้องหลังพระองค์บอกว่าอพอแสดงธรรมจบแล้วนะทีขะนาขะเขาไม่พอใจใน พระพุทธไทเจ้าอยู่แล้วในใจฮะ เ, เพราะว่าเขาไ ม, ไม่พอใจที่ว่าพระพุทธไตรเจ้านาหลวงลุงเขาคือภาษาลิบุตรมาบวชภาษาริบุต ร, รเขาก็เป็นผู้มีเป็นผู้มีตระกูลเศรษฐีใหญ่ในกรุงราชสกุลเอกและเป็นผู้มีปัญญากระเดืองในกรุงราชสกุลเอกแล้วทาไมจึงมาสยบให้สัมมณะโคดมพุทธไตรเจ้าพึ่งเป็นศาสนาขึ้นมาใหม่ๆมัดๆทาไม หลวงหลุงของเราทําไมจึงเซอร์นักลักษณะอย่างนั้นล่ะความดูถูกในใจนะก็เลยพูดโป้งป้างขึ้นมาเลยท่านสมณะโคโรมครับที่ท่านตรัสมาที่ท่านพูดมาท่านนะผมไม่พอใจทั้งหมดผมไม่พอใจทั้งหมดในคําพูดของท่านเพราะพระพองค์ก็บอกว่าที่คณะขา เธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยพระองค์สำทับเขาจุดนั้นน ะ, ะพาพระสารีบุตรนั่งฟังอยู่ท้างหลังได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พวกเราฟังดูสิพวกเราได้สาเร็จหรือยังอย่างครับเออแสดงว่าทันทายังไม่ใช่คิปปัญญานะี่ยหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นท่นี้ต่อมาอีกเขาก็ถามเลยเนี่ยอย่างพระ อัจเชะเนี่ยนะไปพูดให้ภาษาเรียบบทสิ่งไหนจะเกิดขึ้นที่ไหนให้ดูให้ดับลงจุดนั้นอันนี้คือทำคำสอนของพุท ธ, ธะมันเกิดขึ้นที่ไหนให้ดูที่ใจให้ดับลงที่นั่นมันขึ้นเกิดขึ้นที่นให้ดับลงที่นั่นอันนี้ภาษารีบทฟังก็จะสำเร็จพระโสดาบันเนี่ยพวกเราฟังแล้วเป็นยังไงออทำไม่ยังไม่ได้กาแสดงวัฏทันา น, านนะ แล้วก็พภัยยทารุจริยะที่ท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในถนนเยธรรมาเหตุทปาวาเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุให้ดูที่เหตุดับลงที่เหตุเพราะอัญญาพระอจิชิได้ฟังเท่านั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหัส น, นี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเทศท่านตรัสให้บรรดาภาษาบอกทั้งหลายพวก พกกิปะพิญญาเออแต่ถึงยังไงพระองค์ก็สอนไปตามขั้นตอนในทานการทำแสดงธรรมเทศนาเอ่อถ้าว่ามีญาติโยมอยู่ด้วยแต่เกิดเรื่องทานเนี่ยอย่าไปประมาทนะเรื่องทานเรื่องทานเป็นหนทางถ้าเราไม่มีทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเร า, เราจะลําบากนะเออเพราะเราเรื่องทานเป็นการเสียสละการทาบุญทำทานเป็นอนิสง์ เกิดมาพบนายชาติหนาเราก็จะ อ, นนอาศัยในการเลี้ยงชีพของเราก็อั น, นิี้สงฐานคนมีอ น, นิี้สงในการทําฐานเกิดมาพบไดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากไปน่าจะฐานที่ใดเกิดน่าจะฐานที่ใดอันนี้สงฐา น, น, น, า น, น, น, าน เ, เว็นผู้สมบูรณ์ในข้าวน้าําโภชนาอาหารปัจใจสีไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอันนี้สงฐานอนนี้สงสินคุ้มครองเรา ในสถานที่ใดไม่มีใครเบียดเบียนรันงแกเราอั น, นสงสมาธิเนี่ยกัอย่างที่นี่บำเพ็ญสมาธิจิตใจก็ส่งให้พ้นทุกในวัตะสงสารถึงแดนพระนิพพานได้เนี่ยขอให้พวกเราคณศราชกาญาติโยมทุกหลานทุกองหนอันนี้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาพวกเราก็เรียนศึกษาในสายหนงปู่มั่นเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วจิตใจนิ่งพอสมควรแล้ว หรือบางทีอาจจะมันภาวนามันไม่สงบจะนามาพิจารณาเลยก็ได้พิจารณาอะไรพิจารณากรรมาฐานห้าเกสาผมโลม า, นนาขนนาาเล็บธันตาฟันตะโจนังพิจารณา <c oughs> ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงร่างกายของเราเห็นไม่แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บเพราก็ตายไม่มีอะไรจีรังถาวรในร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะ พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปทีละคนละคนละคนวคนที่สุดก็หมดพ่ อ, พอแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็ไปอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่า น, นี่นะพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะหาเงินคําทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาก็าเถอะนะ เ, เงินเหล่านั้นส่งเราถึงโรงพยาบาลออพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลแต่พ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยม ผูที่รักเคารพกันส่งไปถึงเมนไปถึงเหมนกับเผาไฟเผาแต่บุญกุศลที่พวกเราบําเพ็ญเนี่ยส่งไปสู่ภพนาชาตินาไม่มีที่สุดจนส่งถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลส่งสูงสุดถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานแล้วก็เข้าสู่นิพพานแล้วก็จบแพรเรือแปลว่าส่งข้ามฝั่ง พอไปถึงฝั่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะแบกแพะแบกเรือขึ้นไปบนฝั่งทิ้งเรือเลยเล้วก็ไปเลยเไปสวยพิมุติสุขไปเลยไปว่าบุญกุศลแปลว่าเป็นเพือ่อเรือเป็นแพส่งไปถึงฝั่งนี่แหล ะ, อะขอให้พวกเราทุกทุกท่านน ะ, เ, ะเงินคําทรัพย์สมบัติ ถ, ถึงส่งถึงโรงพยาบาลทําหมดหมอหมดความสามารถแล้วก็หมด เ, เงินถึงจะยังเหลืออยู่ ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราตายแล้วเนะพราะหมอหมดความสามารถแล้วอย่างนั้นพอจะแลกญาติพี่น้องเอามาเอาศพมากับใส่หีบใส่โลงเข้าไปอีกแต่เนี่ย เ, เสร็จแล้วก็บำเพ็ญกุศลเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงถึงเมนไปสูงในกระสรงเข้าไปในเมนพวกเราค็ไปว่างรอกไม้จันทร์พี่น้องรักเออเอเอท่านติจากไปแล้วก็ขอให้โอโหสิกรรมให้กับเราด้วยเด้อ เราก็เหมือนกันนะเราได้ทําอะไรกับท่านท่านได้ทำเราอะไรกับเราเราก็พร้อมที่จะขอศีก ร, รมให้ท่านขอให้ท่านไปดีเดอ้อนะพี่น้องลูกหลานที่รักเคารพกันไปส่งทึงเมนเท่านนะั้นแต่ในพวกเรานะี่ออกจากเมนไปแล้วออกจากความตายเไปแล้ว น, นะบุญและบาปเป็นเพื่อนสองนะเป็นผู้เคียงข้างเราเลยจนนะนี่เออเป็นผู้เคียงข้างบุญบุญก็คือนําเราไปสู่สุคติถ้าเราทําบุญนะ ถ้าเราทำบาปบาปอากุศนก็เข้าไปล็อกเลยเลยไปทางไหนจะไปเกิดเป็นสัตยรชานหรือจะจะไปตกนรกจะไปเป็นเปรตหรืจะไปที่ไหนนี่แหละบาปอากักข u ศนพาไปจะไปทางต่ําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะเห็นมองดูตนเองเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมขอขอให้พวกเราทุกๆท่านบําเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล เข้าสู่จิตใจให้มากๆเนอะคณาสัตยาาโยมพระเนรลูกหลานน้องหนุ่งทั้งหลายนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบนะมันไม่ศูนย์อีกต่างหากเลยพอออกจากนี้ะบุญกับบาปจะเป็นเพื่อนสองเป็นเพื่อนสองเป็นเพื่อนใจของพวกเราน่ไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานไปสู่พรหมไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉนนานานานับปการไปได้ทั้งนั้นล ปนว่าใจตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดท้าประมาณไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นพวกเราได้มาพบพุทธศาสน า, าแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบูรณ์กุศลศีล ส, สมาธิปัญญา ต, ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วจิตใจ บ, บริสุทธิ์ดุดพ้นนั่นนะเป็นบรมสุขแปลว่าจบแปลว่าจบจบมจันทร์จบชีวิตของพวกเรานะ การกล่าวสัมโมทนานจะกถะทาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพัชรีรัตน์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุ้มครองบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่รักรบับถือขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน